จเจริญพรท่านผูมีจิตศรัทธามีความเนื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19เมษายนพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษา พอทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่มีคุณมีประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของพวกเราเป็นคำสอนที่ให้ความรู้ที่แท้จริงให้ความรู้ที่สามารถทำให้พวกเราหุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ ความรู้ต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตามจะไม่สามารถทำให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้มีความรู้ของพระพุทธเจา้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่รู้วิธีที่จะพาชีวิตของพวกเราให้หลุดพ้น จากความทุกข์ต่างๆให้ได้พบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่ถาวรการเข้าหาพระพุทธศาสนาถือว่าเรียกว่าเป็นการเข้าหาบัณฑิตบัณฑิตคือผู้รู้ผู้ที่มีวิชาความรู้ที่จะ นำพาชีวิตของพวกเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเป็นมงคลอย่างยิ่งการได้คบบัณฑิตพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะบัณฑิตเป็นผู้รู้ที่ สามารถแบ่งปันความรู้ที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของพวกเราความรู้ของบัณฑิตคือของพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าเป็นคู่มือชีวิตหรือแผนที่ชีวิตก็ได้ชีวิตของพวกเรานี้เป็นเหมือนกับผู้เดินทางการเดินทางของพวกเรานี้ มีอยู่สองส่วนด้วยกันการเดินทางของร่างกายก็เดินจากเกิดไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บไปสู่ความตายแต่อีกส่วนหนึ่งของเราที่เรียกว่าจิตใจนี้ก็มีการเดินทางอีกเส้นทางหนึ่งเหมือนกันแต่ต่างจากเส้นทางของร่างกาย ร่างกายนี้เดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายแต่ใจของเรานี้มีทางเลือกให้ไปได้สองทางไปสู่สุขคติหรือไปสู่ทุกขคติถ้าไปสู่ทุกขคติก็ไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าไปสู่สุขคติก็ไปสู่ความสุขความเจริญ นี่คือทางเดินของจิตใจต่างกับทางเดินของร่างกายร่างกายของพวกเราทุกคนนี้เดินไปทางเดียวกันหมดเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายแต่ใจของพวกเรานี้เดินไปทางไหนก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินของเราคือการคิดการพูดการกระทาทางร่างกาย จะเป็นผู้ที่จะกำหนดทิศทางของชีวิตของพวกเราว่าจะไปสู่ทุกขติหรือไปสู่สุขติถ้าเราพูดดีคิดดีทำดีชีวิตของเราก็จะเดินไปสู่สุขติเดินไปสู่ความสุขตามลำดับตา่ตางๆเช่นเดินไปสู่ความสุขของมนุษย์ เดินไปสู่ความสุขของเทวดาเดินไปสู่ความสุขของพรหมและเดินไปสู่ความสุขของพระอริยเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าแนละพระอรหันตสาวกทั้งหลาย <Yeah. S 1> นี่คือทางเดินของจิตใจถ้าคิดดีพูดดีทดําดีใจก็จะไปทางนี้ถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดี ใจก็จะเดินทางไปสู่ทุกขติทุกขติก็คืออบายนี้เองที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของผีของสัตว์นรกสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของใจของพวกเราทุกคนใจของพวกเรานี้จะไปทิศทางไหนก็อยู่ที่การกระทำ ทางกายทางวาจาและทางใจโดยมีการกระทำทางใจเป็นผู้บงการใจต้องสั่งร่างกายให้พูดร่างกายให้ทำนั่นทำนี่ร่างกายถึงจะพูดได้ทำได้ถ้าใจไม่สั่งร่างกายก็จะไม่ทำร่างกายเป็นเพียงรูปน้องที่ท่านเรียกว่าเป็นบ่าว ใจเป็นนายกายเป็นบา่าวผู้ที่รับผลของการกระทาําทางกายทางวาจาและทางใจไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับผลก็คือใจใจจะไปสู่สุขติหรือไปสู่ทุกขติก็อยู่ที่ความคิดของใจใจจะคิดดีหรือคิดไม่ดีก็อยู่ที่ความรู้ความเห็น ถ้ามีความเห็นความรู้ของนักปราชญ์เช่นของพระพุทธเจ้าก็จะคิดไปในทางที่ดีพูดดีทำดีถ้าขาดความคิดของนักปราชญ์คือความคิดของพระพุทธเจ้าก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเช่นพวกที่คิดจะทำบาคิดที่จะเสพอบายามุขต่างๆพวกนี้เป็นพวกที่ ไม่มีความรู้ไม่มีความเห็นของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางถ้าไปคิดไปเสพอใบายามุข ค, คิดไปทำบาคิดไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเดินสุรายาเมาและเสพอใบายามุขต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นการคิดไม่ดี คิดไม่ดีแล้วก็จะนําไปสู่การพูดไม่ดีทําไม่ดีพอพูดไม่ดีทําไม่ดีผลก็จะเกิดขึ้นมาสองสองแห่งด้วยกันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันและเกิดขึ้นมาในอนาคตในปัจจุบันเวลาคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีใจจะไม่สบายใจจะไม่มีความสุข เช่เราไปลักทรัพย์มาใจของเรานี้จะไม่สบายใจจะกังวลจะกลัวว่าจะถูกจับได้กลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษถูกประนามถูกรังเกียดนี่คือผลที่เกิดจากอาการทําบาปจะเกิดขึ้นที่ใจทันทีคือเกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจต่างๆตามมา แล้วผลที่สองก็คือเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วผู้ที่ทำบาปด้วยเหตุผลต่า ง, างๆก็จะต้องไปสู่ผลต่างๆคืออบายสีสถานด้วยกันอบายสีสถานนี้เป็นที่ไปของผู้ที่ทำบาปด้วยเหตุผลสี่ชนิดด้วยกันเช่นถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ เช่นสุนัขสัตว์เดรัจฉานต่างๆเขาไม่รู้ว่าการทำบาปจะทำให้เขาต้องไปรับผลบาปเวลาเขาหิวเขาอยากจะรับประทานอะไรถ้ามีอะไรที่เขาฉกเอามากินได้เขาก็จะเอามาทันทีเช่นเอากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือไปขโมยอาหารของคนอื่น อย่างนี้เรียกว่าทำบาปด้วยความไม่รู้ไม่รู้ว่าการกระทำบาปนี้มีผลตามมาผู้ที่กระทำบาปด้วยความไม่รู้ท่านว่าจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์ชนิดต่างๆจะเป็นสิงสาราสัตว์หรือจะเป็นนกเป็นแมวเป็นอะไรต่างๆเป็นปลาเป็นปู สัตเหล่านี้เคยกระทำบาปมาด้วยความไม่รู้ว่าเป็นการกระทาบาปคือได้การได้ข้ามรักทรัพย์มาเป็นต้นหรือได้ประพฤติผิดประเวณีมาจึงต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานส่วนผู้ที่ทำบาปด้วยความโลภความอยากได้มากๆทั้งๆ ท, ท, ที่พอมีพอกินสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องทำบา แต่มีความอยากได้มากๆอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตก็ไปทำบาปทำบาปด้วยการฆ่าผู้อื่นหรือทำบาปด้วยการลักทรัพย์ช่อโกงทำบาปด้วยการโกหกหลอกลวงการกระทำบาปนางนี้ด้วยความโลภท่านเรียกว่าตายไปก็จะต้องไปเป็นเปรต เปรตนี้มีคุณลักษณะอยู่คือมีแต่ความหิวโหวยมีแต่ความอยากได้มากๆต่อให้ได้มากเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกหิวโหวยอยู่อย่างนั้นท่านจึงวาดภาพของตัวเปรตว่ามีปากเท่ารูเข็มแต่มีท้องเท่าตุ่มกินไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่าพอเพราะเวลากินนี่ ปากเท่ารูเข็มมันกินได้นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ท้องนี่มันใหญ่เท่าตุ่มกว่าจะเอาอาหารที่ผ่านรูเข็มก็ไปให้มันเต็มตุ่มได้นี้มันก็ต้องใช้เวลามากนี่คือความหิวของใจที่มีความหิวความโลภความอยากทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีมากมายขนาดนั้น มีพอมีพอกินอยู่แล้วหรือร่ำรวยอยู่แล้วก็ยังไม่พอรวยแล้วก็ยังอยากจะรวยมากไปกว่าเดิมถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไปทำบาปเพื่อให้ได้ผลที่ตนเองต้องการท่านว่าตายไปก็ต้องไปเป็นเปรตส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าคนนั้นจะมาทำร้ายเราก็เลยไปทำร้ายเขาก่อน กลัวว่าคู่แข่งเขาจะขายดีกว่าเราเราก็เลยไปกันแกล้งเขาไปทำให้เขาไม่สามารถขายของได้เช่นไปเผาร้านของเขาอย่างนี้ทำบาปอย่างนี้ด้วยความกลัวท่านบอกว่าตายไปจะต้องไปเป็นผีหรือเป็นอสุ ร, รกายและถ้าทำบาป ด้วยความโรกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นเช่นเวลาใครทำะไรให้เราไม่พอใจทำให้รให้เราเสียใจแล้วเราก็อยากจะตอบด้วยการรังแกลอยากจะฆ่าเขาบ้างอยากจะทุบตีเขาบ้างอยากจะทำให้เขาเดือดร้อนบ้างถ้าทาบาบด้วยความ โกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทตายไปก็ต้องไปตกนรกนี่คือที่ไปของผู้ที่ทําบาปผู้ที่เสพอบายามุขทำไมท่านไม่ให้เราเสพอบายามุขอบายามุขแปลว่าอะไรอบายก็แปลว่าที่ไปของผู้ที่ทาบาสมุกก็คือทวารหรือประตูทางเข้า ผู้ที่ไปเสพอบายามุขนี้ก็เหมือนกับผู้ที่ไปยืนปากประตูของนรกนั่นเองแต่ยังไม่เข้าไปในนรกแต่แต่อยู่ใกล้นรกน่าจะเข้าไปในประตูนรกตามลำดับต่อไปเพราะเหตุใดเพราะเวลาเสพอบายามุกแล้วจะต้องไปทำบาปต่อไปเช่นเวลาที่เราเดินสุรายาเมาแล้ว เราก็จะไม่สามารถควบคุมสติได้ไม่สามารถควบคุมความคิดการพูดการกระทำต่างๆได้คนที่ดื่มสุรายาเมาออแล้วพอเกิดอาการมึนเมามักจะไปทำบาปต่อไปเพราะไม่มีสติที่จะยับยัง้งการกระทำของตนได้เช่นเมาแล้วขับเมาแล้วก็ไปขับรถไม่สามารถที่จะควบคุมรถ ให้วิ่งได้อย่างปลอดภัยไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปพบกับอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่เสียชีวิตและตนเองก็อาจจะเสียชีวิตไปด้วยนี่คือโทษของอบายมุกคือการดื่มสุราดื่มแล้วจะทำให้เราไปทำบาปต่อไปถ้าไม่ดื่มสุราเราก็จะมีสติสตัง พอเราคิดที่จะทำบาปเราก็สามารถที่จะยับยั้งได้เวลาขับรถเราก็ขับรถได้อย่างปลอดภัยเพราะเรามีสติเรารู้ว่าถนนมีรถมากรถน้อยควรวิ่งช้าควรวิ่งเร็วแต่ถ้าคนขับเมาแล้วจะไม่มีสติไม่มีความรู้สึกว่าตนเองกําลังขับรถเร็วหรือรถช้า น่ารถมีมากหรือมีน้อยขับไปแล้วจริงมากเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายของผู้อื่นก็เท่ากับเป็นการทำบาปนี่คือเรื่องของอบายมุขที่เกิดจากการดื่มสุรายาเมาอบายมุขที่เกิดจากการเล่นการพนันก็เป็นโทษเหมือนกันเพราะการเล่นการพนันนี้ส่วนมากแล้วเล่นแล้ว ขาดทุนเล่นแล้วหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวเวลาเล่นแล้วถ้าได้มาก็เอาเงินไปใช้แบบไม่ไม่มีความระมัดระวังอยากจะซื้ออะไรอยากจะใช้อะไรก็ใช้ไปคิดว่าเดี๋ยวหมดแล้วก็มาเล่นใหม่แล้วก็จะได้มแต่พอมาเล่นใหม่ถ้าไม่ได้ชนะก็ต้องแพ้เวลาแพ้ก็ขาดทุน เวลาขาดทุนก็อยากจะได้คืนก็อยากจะเล่นเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าเงินหมดก็ต้องขายทรัพย์สินต่างๆขายเข้าของต่างๆเพื่อที่จะได้ออาเงินมาเล่นต่อเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะหมดไปเรื่อยๆแล้วหนที่สุดก็อาจจะต้องขายบ้านขายช่องขายที่ดินพอหมดแล้วไม่มีอะไรขายก็ต้องขายตัวเองเอาตัวเองไป ไปกู้นี้ยืมสินแล้วเอาชีวิตของตนเป็นตัวประกันพอไม่สามารถที่จะไปใช้หนี้เขาได้ก็ถูกเขาตามฆ่าได้นี่คือโทษของการเล่นการพนันท่านบอกว่าเวลาขโมยขึ้นบ้านนี้มันก็เอาไปได้เพียงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่บ้านกับที่ดินมันยังเอาไปไม่ได้ เวลาไฟไม่บ้านมันก็ยังไม่แต่บ้านมันไม่สามารถไม่ที่ดินได้แต่ถ้าไปเล่นการพนันแล้วนี้เอาไปได้หมดเลยหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ต้องไปทำบาปทากรรมเพื่อที่จะไปหาเงินหาทองมาเล่นหรือมาอย่างชีพต่อไปเพราะจะไม่มีความสามารถที่จะไปทำมาหากินอย่างสุขจริญได้นั่นเอง นี่คือโทษของอบายามุกต่างๆอบายามุกนี้ไม่ได้ผลิตรายได้ให้กับเรามีแต่ดูดรายรายจ่ายมีแต่ดูดเงินทองของเราให้น้อยไปและให้หมดไปในที่สุดเช่นเดียวกับการเที่ยวเจเที่ยวตอนทลางคืนหรือเที่ยวตอนกลางวันไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายถ้าเที่ยวแล้วก็ติดติดแล้วก็ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆ เวลาไม่ได้เที่ยวก็หมดหยีดลําทานใจพอเที่ยวเงินทองก็หมดเงินเงินทองหมดไม่ไม่ได้ไปทํางานเอาแต่เที่ยวแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้เวลาเงินหมดก็ต้องไปรักขมโมยไปป้นไปจี้ผู้เช่นเดียวกับความเกียดคร้านความเกียดคร้านก็ไม่สามารถที่จะผลิตรายได้ให้กับเราถ้าเกียดคร้านไม่ยอมทํางาน เอาแต่กินแต่นอนอย่างเดียวเดี๋ยวไม่นานเงินที่ใช้ซื้อใช้กินมันก็จะหมดหมดแล้วจะทําอย่างไรถ้าขี้เกียจทํางานก็ต้องไปลักทรัพย์ไปทําบาสนี่คือเรื่องของอบายามุกอีกข้อหนึ่งก็คือการครบคนไม่ดีเป็นมิตรก็คบคนที่ชอบเสพอบายามุกนี่เองอย่าไปคบกับคนที่ชอบเล่นการพนัน ชอบเด่มสุรายาวเงาชอบเที่ยวชอบเตะชอบความเกียร์คร้านเพราะเขาจะชวนให้เราไปทำตามสิ่งที่เขาชอบเขาชอบเดิมสุราเขาก็จะชวนเราไปเด่มสุราเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปไปเล่นการพนันชอบเที่ยวก็จะชวนเราไปเที่ยวชอบเกียร์คร้านก็ก็ชอบให้ชวนให้เราเกียรคร้าน แทนที่จะชวนเราไปทํางานทําการไปทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็สอนให้อยู่เฉยๆให้เล่นให้เที่ยวไปเรื่อยๆแล้วถ้าเขาชวนเราเราก็เกรงใจเขาเราก็ต้องไปไปแล้วเราก็จะเสียทําแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดไรายได้แล้วไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะชวนเราไปทําบาปต่อไป นี่คืออบายามุขห้าข้อด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราอย่า ก, กระทำกันด้วยการไม่ไปคบคนไม่ดีคนไม่ดีจะชวนเราไปทำบาปชวนเราไปเสพอบายามุขถ้าเราไม่คบคนไม่ดีได้เราก็จะปลอดภัยเราก็จะไม่ต้องไปทำบาปทำกรรม ละไปใช้บาปใช้กรรมตามลำหนับต่อไป พ, พุทธเจ้าสอนให้เราครบบัณฑิตคบคนดีบัณฑิตก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่การมาวัดนี้เท่ากับการได้มาพบพระพุทธเจ้าพบพระธรรมคำสอนพบพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้จะสอนให้เราคิดดีพูดดีทาดี การคิดดีพูดดีทำดีนี้มีอะไรบ้างก็คิดให้เราทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเช่นทำทานมีอะไรก็เอาไปแบ่งให้แก่ผู้ที่เขาขาดแคลนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพราะจะทำให้เขามีความสุขและเราก็จะมีความสุขจากการที่เราได้ช่วยให้เขามีความสุข นี่แหละคือการคิดดีพูดดีทำดีเป็นอย่างนี้ขอให้เราพยายามทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้มีความสุขและเวลาเราตายไปเราก็จะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายเราก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราทำคุณทำประโยชน์ ให้แก่ผู้อื่นแล้วเราไม่ทําบาปตายไปท่านก็บอกว่าเราจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวโลกได้เป็นเทวดาขั้นต่างๆแต่สวรรค์ชั้นเทวดานี้ก็ยังต่ํากว่าสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นพรมนี่สูงกว่าชั้นเทวดามีความสุขมากกว่าเหมือนกับโรงแลงสองดาวกับสามดาว มีความสุขความสบายต่างกันมีราคาที่จะต้องเสียต่างกันราคาที่จะเข้าสู่เทวโลกก็คือการทำทานและการไม่ทำบาปคือการรักษาศีลห้าแต่ราคาสำหรับที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมนี้ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกสองข้อก็คือต้องรักษาศีลแปล แล้วก็ต้องหัดทำใจให้สงบเรียกว่าภาวนาสมถภาวนาทำใจให้สงบถ้าเรารักษาศีลแปได้ทาใจให้สงบเป็นสมาธิได้ใจของเราก็จะไปขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแต่สวรรค์ทั้งชั้นพรหมและชั้นเทพนี้ก็เป็นของชั่วคราว คือมีวันเสื่อมมีวันหมดไปได้เช่นเวลาเราตายไปแล้วเราไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมบุญที่ส่งเราไปความดีที่ส่งเราไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมนี้ก็เป็นเหมือนกับเงินที่เราเอาไปใช้จ่ายค่าโรงแรมค่าที่พักค่าอาหารต่างๆพอเราใช้ไปเรื่อยๆต่อไปเงินเราก็จะน้อยลงไปพอ เ, เงินน้อยลงไป เราก็ต้องเปลี่ยนโรงแรมเปลี่ยนที่พักจากโรงแรมสามดาวมาเป็นโรงแรมสองดาวหรือหนึ่งดาวตามกําลังทรัพย์ที่เรามีอยู่ความดีที่เราก็ทําก็เป็นเหมือนทรัพย์ที่เราเอาไปจับจ่ายใช้สอยในพรห ม, มโลกพอเงินพร่องลงหมดลงไม่สามารถอยู่ชั้นพรห ม, มโลกได้เราก็เลื่อนลงมาสู่ชั้นเทวโลกจากชั้นเทวโลกเราก็จะ เนื่อนลงกลับมาสู่ชั้นมนุษย์พอเรากลับมามเป็นมนุษย์เราก็มาทำบุญใหม่มาคิดดีพูดดีทำดีใหม่ทำทานรักษาศีลมาทำภาวนาทำใจให้สงบใหม่พอตายไปเราก็จะกลับขึ้นไปสวรรค์ชั้นพรมใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะไปสู่สวรรค์ ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดเลยไม่เสื่อมลงมาเลยเราก็ต้องจ่ายค่าสวรรค์อีกข้อหนึ่งก็คือเราต้องปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนานี้ไม่เหมือนกันสมถภาวนานี้ทำใจให้สงบแต่วิปัสสนาภาวนานี้ทำใจให้ฉลาดทำใจให้รู้จักวิธี รักษาสวรรค์ชั้นพรหมนี้ให้เป็นสวรรค์ที่ถาวรต่อไปสมถะภาวนานี้ทำให้ได้สวรรค์ชั้นพรหมแต่ไม่ถาวรแต่วิปัสสนาภาวนานี้จะทำให้สวรรค์ชั้นพรหมนี้ถาวรกลายเป็นพระนิพพานไปสวรรค์ชั้นพระนิพพานนี้ต้องเกิดจากการเจริญปัญญาต้องศึกษา ให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราจะไม่อยู่กับเราไปตลอดอย่าไปหลงอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะจะทำให้เราจะต้องเสียใจจะต้องทำให้เราทุกข์ใจในภายหลังเพราะของทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันหมดไปนั่นเองแม้แต่ร่างกายนี้ก็ต้องหมดไป ถ้าเรารู้และเราไม่มีความอยากได้สิ่งต่างๆเราก็จะไม่ต้องกลับมาเสื่อมอีกต่อไปใจของเราก็จะสงบไปตลอดมีความสุขขั้นสูงสุดไปตลอดได้ด้วยการใช้ปัญญาใช้วิปัสสนามองทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นของชั่วกราว ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปความสุขที่ได้จากของต่างๆจากสิ่งตา่างๆก็หมดไปพอหมดไปก็เหลือแต่ความทุกข์เหลือแต่ความอยากก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาหาความสุขตา่างๆใหม่ถ้าตัดความอยากได้สิ่งตา่างๆอยากมีสิ่งตา่างๆได้ใจก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไปตลอด นี่คือเรื่องของการมาหาบัณฑิตมาหาความรู้มาหาข้อมือคู่มือของชีวิตที่จะพาให้เราดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่ดีที่สุขที่จเจริญไม่ต้องไปเจอกับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆหลังจากที่พวกเราได้เรียนรูน้แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือ ต้องนำเอาไปปฏิบัติเพราะการรู้เฉยๆนี้ยังไม่ทำให้เกิดผลขึ้นมาผลจะเกิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อเรานำเอาไปใช้เอาไปคิดดีพูดดีทำดีขอให้เราคิดแต่การทําทานคิดแต่การรักษาศีลคิดแต่การภาวนาทาใจของเราให้สงบทาใจของเราให้ฉลาดอย่าไปคิดทำบาปอย่าไปคิด เศษอบายามุขต่างๆอย่าไปคิดการครบกับคนไม่ดีอย่าไปคิดกับความเกลียดคร้านต่างๆแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเรานี้จะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ที่จะนำความสุขและความเจริญที่ย่ำยืนถาวรมาให้กับเรานี้ให้ท่านได้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรันตรัยและบุญกุศล ที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันใวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็งแร่ดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ